ฉลาดใช้สิ่งที่มีประโยชน์ทุกอย่างมารวมกันเป็นหนึ่งโดยเฉพาะโปรแกรมกายพิจิตเฟิร์มเนี่ยเอาทางวิทยาศาสตร์มารวมกับทางจิตวิ ญ, ญญาณนะเป็นการโฮลิสติกนะก็น่าสนใจนะมีประโยชน์ทุหรับชีวิตก็พวกครูบอกเขาบอกพรุ่งนี้เช้าเริ่มต้นจากหก0มครึ่งตอนเช้าเราคงไม่ได้ปฏิบัติ ร, รอบเช้านะก็ไปเป็นวันปีใหม่ มีคนจีนเขาบอกว่าหาวเตอร์คายสื่อซื่อเฉิงกงเตอีป้นก็คือว่าถ้าเรามีจุดเริ่มต้นที่ดีนะคือเราสำเร็จแล้วครึ่งหนึ่งนะก็ถือโอกาสพรุ่งนี้เป็นวันปีใหม่ตื่นเช้ามางานแรกเราคือทำบุญตักบาตรนะอยู่ใต้ฐานพระใหญ่พระพิษสุสงค์ท่านมาบินทบาทกับไมช่ชีนะก็เป็นงานแรก เราก็หลังจากนั้นก็ถวายพระตาหารเพนสิบโมงึแล้วก็รอบบ่ายโมงก็มีการทอดพระป่าทอดพระป่าอยู่ในศาลานี้แล้วก็บ่ายสองโมงก็เป็นพิธีส่งน้ำพระอยู่ใต้ฐานพระใหญ่นะครับอันนี้คือโปรแกรมคร่าวๆแล้วก็เมื่อลื่อนนี้วันที่14ตอนเช้าสายเป็นปกติจนช่วงบ่ายสองโมง เราจัดก็คกูต้องใช้เวลาพูดเรื่องนี้เดี๋ยวไม่เข้าใจศูนย์ปฏิบัติธรรมจัดปฏิตี้อะไรก็ไม่รู้เนาะจัดปฏิตี้เพราะเราเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมเหมือนการไป เ, เข้าเข้ากรรมก็คือไปอยู่ในศีลวินัยแต่งชุดขาว ของเรื่องก็คือว่าเราเข้าใจคําว่าปฏิบัติธรรมมันหมายถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยแบบนั้นจริงๆแล้วแบบนั้นเป็นแค่อุบายวิธีเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่ใช่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือการเจริญมรรคที่นี่มรรคมันมีมรรคภายนอกกับมรรคภายในนะมรรคภายนอกก็คือทานศีลภาวนานะก็คือการให้ทานก็คือการทําดี ศีลคือการละชั่วการเจริญภาวนาก็คือการเจริญสัมมทาทัศนวิปัสสนาก็คือการขัดเกลาจิตให้ผ่องใสนะส่วนแล้วเข้าไปในจิตนะเดินจากสัมมทาทัวิปัสสนาเป็นมรรคภายในนะสองอย่างนี้ต้องไปคู่กันนะทีนี้การทําดีเนี่ยมันมีหลายอุบายวิธีบางคนทําดีโดยไปอุปถากพระภิกษุสงฆ์ไปใส่บาตรไปสร้างวัด บางคนทำดีโดยไปช่วยเหลือเด็กยากจนบางคนทำดีโดยไปดูคนแก่คนชราทำดีมีหลายอุบายวิธีอยู่ที่แต่ละท่านเนี่ยเอาความเหมาะสมกับตัวเองเนี่ยไปทำมันไม่มีสูตรตายตัวว่าต้องเป็นแบบไหนทีนี้การละชั่วเองพุทธเจ้าก็ชี้ทางให้เราก็คือถ้าคนเข้าไปไม่ถึงจิตเราต้องใช้ศีลวินัยเนี่ยเป็นเกราะป้องกันภัยนะ แม้กระทั่งศีลเนี่ยการถือศีลก็ต้องใช้อุบายวิธีไม่เหมือนกันนะบางสำนักเนี่ศีลเขาคือไม่กินเนื้อสัตว์นะไม่ใส่รองเท้านะผิดไหมไม่ได้ผิดก็เป็นอุบายวิธีอย่างหนึ่งนะแต่จะไปยึดมั่นถึงมั่นว่าต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบอื่นคือผิดไม่ใช่ศีลของอรหันต์จี้กงเนี่ยกินเหล้ากินเนื้อสัตว์เห็นไหม มันไม่ได้ตายตัวว่าศีลต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ต้องตายตัวอย่างนั้นไม่ใช่ศีลจริงๆแล้วคือความปกติของจิตศีลจริงๆคือความปกติของจิตไม่มีตัวหนังสือด้วยนะไม่มีตัวหนังสือพ่ะครูเองสี่สิบปีวิ่งไปตามโลกไปใช้ชีวิตอยู่อเมริกาช่วงบ้านปลายเนี่ยสี่สิบปีศีลห้าบอกอะไรเนี่ยไม่ให้ทำอะไรทำหมดกินเหล้า สูบุรีโกหกเพราะเราเป็นนักธุรกิจเราถือว่าการโกหกเป็นเทคนิคนะเราไม่มีศีลแบบนั้นแต่เราไม่เคยคิดที่จะทําร้ายใครนะแต่เรามีใจที่กว้างใหญ่ไพาสาลขอมาให้เลยนะเราไม่รู้ด้วยความคือทานคืออะไรนะมันเป็นอุ ป, ปนิสัยเราเป็นจริตเราแต่ศีลถ้าศีลอะไรเนี่ยไม่มีก็พูดตรงๆเลยว่าไม่มี บอกไม่ให้ทำไรทงหมดเนาะเพราะคุณไม่มีศีลแบบนั้นพอสามชั่วโมงมันเกิดอาการระเบิดที่เรียกว่ามันระเบิดก็แล้วกันมันเรียกว่าอะไรก็ช่างมันในภาษาวิชาการเดี๋ยวพูดไปเขาก็บอกปวดอุตริมนุษยธรรมบ้างอะไรบ้างนะเอาไว้ว่ามันเกิดอาการเหมือนระเบิดก็หยุดชีวิตทันทีไม่ต้องคิดแม้แต่หนึ่งวินาทีว่าจะไปทางไหน บอกหยุดก่อนวินาทีนั้นเหมือนไฟไหม้บ้านกลางดึกเราลุกขึ้นมามันกำลังไหม้เราเนี่ยถามว่าเราจะหนีไหมไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมก็ออกมาก่อนออกไปไหนละ่ะกลับบ้านเกิดมองนอนเราก็ถอยมาอยู่กรุงเทพพักหนึ่งหนีเสือป่าจละเข้ไปอยู่บ้านเชียงใหมก่ก็ก็ไม่ใช่ไปอยู่บ้านอำเภอเมืองที่อุบลนี่ก็ไม่ใช่พอมาเจอที่นี่บอกใช่ละ ก็จากวันนั้นถึงวันนี้พรอครูก็ใช้ชีวิตที่นี่ยี่สิบห้าปีแล้วก็ยี่บห้าปีนี้ก็บังเอิญอีกญาติธรรมบางคนก็ถามพ่อครูว่าพรอครูคุณหมอท่านหนึ่งมังบุงมุขทหารสนิทกันมากนะเป็นญาติธรรมที่นี่พ่อครูถือศีลเท่าไหร่ถามพระครูถือศีลเท่าไหร่ว่าพ่อครูเบี่ยงทิ้งหมดแล้วนะมันหนัก บางคนตกใจนะคนไม่มีศีลมาแสดงธรรมแต่ยี่้าปีมันไม่ทำชั่วแน่นอนมันเป็นศีลแล้วจิตมันเป็นปกติแล้วที่มันเป็นปกติคืออะไรมันไม่มีความอยากมันไม่มีอนาคตความอยากทำให้เราไม่ปกติมันแสบสายนะมันก็ต้องถือศีลมาบังคับมันมันอยากมันก็จะไปสร้างกรรมบอกให้ผิดศีลนะเอาศีลจนมาบังคับเราเมื่อมันไม่มีความอยากแล้วมันไม่มีอนาคตแล้ว คิดมันก็ต้องไม่คิดเลยมันไม่มีแม้กระทั่งคิดมันไม่คิดแล้วมันสร้างมโนกรรมได้อย่างไรเราถึงเข้าใจว่าศีลคือความปกติของจิตเอาเป็นว่าชาตินี้ทั้งชาติสี่สิบปีวิ่งไปตามโลกยี่บห้าปีมาทีนี้ก็อยู่ได้ไม่รู้อีกกี่วันก็ให้มันอยู่ไปนะชาตินี้ไม่ต้องถือศีลแต่ไม่ได้หมายคนว่าถือศีลมันไม่ดีนะส่วนมากทุกวันนี้บางทีถือถือหลุดหลุด มือถือศาสตรปากถือศิลน่ะนะถือแค่รูปแบบมันไร้สาระนะคือปฏิบัติให้มันเป็นศีล น, นะไม่ใช่ถือศีลแค่รูปแบบเอามาโชว์กันมาอวดอ้างบอกย้ายย้ายไปไหนเออวันพระไปถือศีลแปดที่วัดก็ตามไปดูไปนั่งตำเคี้ยวหมากกันแล้วก็เมาคนนั้นเมาคนนี้อิจฉาคนนั้นคนนี้นึกว่ า, า, นนนนาถือศีล ถือศีลแค่เป็นรูปแบบเฉยๆเนี่ยมันไม่มีสาระอะไรนะบางคนก็สวดมนต์สวดมนต์มนตมนมงยี่สิบสามสิบปีนะพาะครูเคยเจอข้าราชาการเกษียณในยุที่เชียงใหม่เนี่ยมาคุยบอกว่าสวดมนต์มายี่สิบกว่าปีเช้าเย็นเช้าเย็นนะออพอเจอลูกสาวก็สวดลูกสาวต่อยอลูกสาวอย่ามปยุ่งชีวิตฉันได้ไหมลำคาญเลยอย่างนี้มันสวดไปทาไม แต่ไม่ใช่ว่าสวดมนต์ไม่ดีการสวดมนต์เป็นอุบายวิธีเนี่ยเพื่อฝึกสมมถกรรมฐานเบื้องต้นให้เราจดจ่ออยู่ตรงนั้นให้ระวังความคิดมันก็เกิดความสงบสวดก็จะใช้อุบายว่าสวดบทนั้นสวดบทนี้จะขึ้นสวรรค์สวดบทนี้จะได้อานิสงส์อะไรก็ช่างมันเป็นแค่อุบายวิธีทำให้เรายอมสวดนะแล้วไปจริงจังว่าสวดสวด เพื่อจะมีอนาคตที่ดีขึ้นเพื่อจะมั่งคั่งร่ํารวยอันนั้นมันก็หลอกกันนะสวดนมนต์เนี่ยก็เป็นอุบายวิธีทําให้เรามีสมาธิตั้งมัน่นจดจ่อกับสิ่งที่เราดําเนินอยู่มันเกิดประโยชน์ในขณะนั้นนะแต่มันเป็นระดับสมมถกรรมฐานปัญญามันไม่เกิดมันเกิดสติมันเกิดสมาธิมีสติเป็นเบื้องต้นทําให้เราจดจอ่อ กับการสวดไม่งั้นเราก็สวดถูกสวดผิดมันเป็นเทคนิคเป็นอุบายอย่างหนึ่งแต่ถ้าไม่พัฒนาไปสู่วิปัสนาแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญญาวิปัสนาคือการเห็นแจ้งของจิตนะไม่ใช่เกิดจากการนึกคิดหรือพิจนารณาต้องจิตเข้าไปสัมผัสอารมณ์นั้นๆสัมผัสความจริงในจิตใต้สำนึกเรานั่นแหละคือมันจะทาให้เราเกิดปัญญาแต่ไม่ใช่สัมมามันไม่ดี สมมถะคือบาดฐานเบื้องต้นของวิปัสนาและสุดท้ายเนี่ยสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกันสมมถะวิปัสนาแยกไม่ออกนะต้องเป็นโฮลิสติกอีกต้องบูรณาการนะเอาเป็นว่าแนวที่เขาฝึกทีละขั้นเนี่ยเขาก็เริ่มจากสมถมะก่อนชานหนึ่งชานสองชานสาชานสี่และแต่และชานก็แยกเป็นสี่สเป็นสิบหชานนะเป็นทีละขั้น เมื่อถึงขั้นสูงสุดคือเอกคะะตาลมก็คือว่ามีพลังเป็นอารมณ์สงบข้ามพ้นวิตกวิจารปิติสุขแม้กระทั่งสุขก็ก็ข้ามพ้นเกิดความสงบตัวนั้นเขาพัฒนาเป็นบาทฐานเบื้องต้นที่การเจริญวิปัสสนาแต่สิ่งที่เราทำตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำแบบนั้นเราไปด้วยกันเลยตั้งแต่แรกดำเนินไปด้วยกันเลยนะ เมื่อเข้าไปสู่จิตในจิตแล้วเนี่ยจิตเดินเราฝึกสมมะถะมาตั้งนานบางทีเขาก็ดึงอารมณ์ส ม, มะถะในอดีตเนี่ยมาให้จิตปัจจุบันลิ้มรสบางทีเราก็นั่งสงบนิ่งโดยที่ไม่ต้องไปกดมันไว้นะแล้วก็ลิ้มรสส ม, มะถะที่เคยฝึกมาแล้วนะมันก็สัมผัสความสงบตรงนั้นนะโดยเฉพาะที่ที่เราปฏิบัติเนี่ยทุกคนก็ทําความเข้าใจว่าทําไมต้องเต้นทําไมต้องร้องทําไมต้องลองํานะ เพราะเราคุ้นเคยว่าทําอะไรต้องมีคาตอบนะทาอะไรต้องมีคำตอบนะ เ, เราติดนิสัยแค่ว่าเป็นนักการเรียนรู้ต้องการรู้ทุกเรื่องเราไม่สามารถรู้ทุกเรื่องได้เราตายก่อนร้อยปีของเราเนี่ยมันสั้นเกินไปที่จะรู้ทุกเรื่องผู้ดูเจ้าตัดไว้ว่าสิ่งใดที่ไม่เกี่ยวกับการพ้นทุกอย่าไปเสียเวลากับมัน คนรู้จริงเนี่ยก็รู้แต่เรื่องที่ทําให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้ไปว่ารู้มากพูดอะไรรู้หมดรู้หมดน้ําครึ่งถังน้ำครึ่งถังนะพูดอะไรก็น้ําท่วมทุ่งไม่มีสาระอะไรเลยเนี่ยไม่มีประโยชน์นะปัญญาไม่ได้ไปว่ารู้มากปัญญาคือรู้แจ้งเห็นจริงรู้แล้ววางได้นะถ้ามันไม่วางมันก็ไม่วางถ้ามันไม่วางมันก็ไม่หลุดพน้น จิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมถ้ามันยังติดอะไรอยู่เนี่ยมันจะหลุดพ้นไม่ได้ติดรูปแบบติดวิธีการติดพิธีกรรมติดวัฒนธรรมติดประเพณีติดอะไรก็คือติดคือหลงติดติดก็คือหลงโรกโกดหลงคือที่มาของทุกข์นะทีนี้เราทำยังไงเราติดมาตลอดชีวิตแล้วพูะเจ้าก็ชี้ทางให้เราพวกเราบุญเยอะมากนะ ไม่ต้องไปสแสวงหาใหม่ไม่ต้องค้นคว้าวิจัยใหม่เกิดมาก็เจอคำสอนดีๆแบบนี้อยู่ที่ว่าใครจะเอาไหมใครจะเอาไหมไม่เอาพเพราะกิเลสมันไม่ชอบเพราะมันขายไม่ได้ไปเรียนวิชาหาเงินดีกว่า <c oughs> ตั้งแต่อนุบาลเรียนงอกจนขวดจะ จ, บ, จบปริญญาตีโทเอกครึ่งค่อนชีวิตทุกแค่ไหนก็เรียนเพราะว่ามันมีอนาคตเห็นไม เรียนวิชาพระพุทธเจ้ามิต่ให้ลดให้ละเลให้เลิกให้วางไม่ได้อะไรเลยไม่อ่ะมันไม่สนุกเราชอบสนุกเราชอบสนุกเราชอบความสุขแบบโลกียะสุขในโลกนี้ไม่มีความสุขนะไม่มีขายกี่แสนล้านก็ซื้อไม่ได้ในโลกนี้มีแค่ความสะดวกสบายสนุกสนาน เพลิดเพลินแค่นั้นเองไม่ใช่ความสุขผู้เจ้าพูดความสุขมีอยู่ที่จุดเดียวเท่านั้นคือนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งที่นิพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะมันไม่เหลืออะไรเลยทุกวันนี้ที่เราทุกข์เพราะเรามีเริ่มจากเรามีกรรมมันก็ส่งให้เรามาเกิดอยู่ในร่างนี้เพื่อใช้นี่กรรมแถม ขันห้ามาด้วยเริ่มจากมีกรรมแล้วทีนี้เริ่มมีขันห้าแล้วก็ไม่พอเมื่อเพิ่มกิเลสตัณหาอุปทานให้มันอีกมาเพิ่มความมีทุกวันนี้ที่เราทุกข์เพราะเรามีไม่ใช่เราไม่มีนะเรายังไม่พอใจเรายังจะาหาที่มันมีเยอะขึ้นให้มันทุกข์มากขึ้นทั้งหมดก็คือคำว่าเรามีเอาวิชานะี่ไม่ใช่เราไม่มีความรู้นะ อวิชชาไม่ได้แปลว่าความไม่รู้อวิชชาคือมีความรู้ผิดเรามีความรู้เยอะมากแต่ความรู้มันผิดความรู้ใดที่มันแฝงด้วยโลภโกรธหลงที่มันทำให้เราทุกข์นั้นถือว่าเป็นอวิชชาทั้งสิ้นนะทาสานมันไม่มีอวิชชาแต่มันก็ไม่รู้วิชาด้วยมันไม่รู้วิชาพนทุกข์แต่มันก็ไม่มีอวิชชามันไม่มีเหตุต้องไปสร้างกัง ทวนนี้เราสร้างกันเพราะว่าเรามีาวิชาเรามีความรู้ผิดเราก็เพิ่มีความรู้ผิดเราก็อยากได้โน่นอยากได้นี่อยากเป็นโน่อนอยากเป็นนี่นะเมื่อวันก่อนคุณแม่อาจารย์อ้อยแสดงธรรมพวกครูก็ไปยืนดูผู้อาวุโสอายุแปดสิบเพิ่งมาครั้งแรกเข้าไปในจิตลําใหญ่เลย ลัมแล้วอ่อนช้อยจะล้มเขาไปข้างหลังอยู่ดีลม้ลมล้มจะทำท่าจะล้มก็ไม่ลม้มสักทีหนึ่งเหมือนสาวๆเขาลัมกันพอเสร็จแล้วท่านถามบอกว่าท่านทําได้ยังไงบอกนักวิยาศาสตร์อาจารย์อ้อยบอกคุณแม่หน่อยบอกหน่อยบอกน่อยว่าท่านเป็นอะไรนักวิยาศาสตร์ตอบสิบางอย่างมันช่างตวงวัดไม่ได้มันรู้ได้เฉพาะตน เพรคุณไม่จะสั่งตูนตูนตูนดูข้างหลังนะเกิดท่านยังไม่รู้ท่านล้มลงไปไงคือเอมไปทั้งหลังเลยเนะอย่าว่าแต่ผู้เท่าขนาดนี้เนี่ยสาวสาวก็ทําไม่ได้ท่านบอกทําไมท่านทําได้พราะปวดหลังมาตั้งนานคุณแม่บอกปวดหลังมาทั้งนานมันกำลังดัดไงจิตเขารู้ว่าร่างกายนี้บกพร่องตรงไหนควรจะแก้แบบไหนสมองเรามันไม่รู้ อย่าใช้สมองโง่ๆของเราไปสั่งจิตนะนะยี่บห้าปีอยู่ที่นี่พระกูไม่บังอาจใช้สมองโง่ๆอายุหกสิบห้าปีนี่ไปสอนคนสอนจิตนะไม่บังอาจนะจิตต่ระดวงเขาอายุหลายล้านชาติอย่าบาังอาจไปสอนเขาเดี๋ยวซ้ายเดี้ยวขวาเป็นหุ่นยนต์กันหมดเลยมันถึงไม่ไปไหนไงไปสอนวิชาโน่นวิชานี่วิชานี่ไม่เคยสอนให้เขาปฏิบัติทำไม่เคยสอนให้เขาเจริญมรรคไปเพิ่มวิชาความรู้ ไปเพิ่มเทคนิคนะแม้กระทั่งลือศีดัดตนอะไรลทัทธิลือศีอะไรเนี่ยเขาเอาเป็นเอาตายนะเขาถวายชีวิตนะแต่บังเอินเขาไปติดที่กายภาพรักษาตนอยู่ตรงนั้นแหละรักษาเมญเนี่ยรักษามันก็ได้สัมมาากรรมฐ า, านได้สมาธิเบื้องต้นมันไม่เกิดวิปัสนาผู้เจ้ายุคพุทธองค์เจ้าชายยถาเนี่ยพระองค์หลังจากไปเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันติดบวก พระ อ, องค์เป็นจิตดวงแรกที่ในยุคนั้นน่ะเข้าไปสู่วิปัสสนาก็เห็นว่าโอ้เราไปติดบ่วงนะขยันมากทางโลกเหมือนกันนะขยันแบบงงๆไม่สำเร็จนะนะขยันหาเงินหาเงินหาเงินที่นี่พ่อครูเจอบ่อยๆนะพ่อครูใช้อุบายสร้างงานอะไรๆให้ชาวบ้านเขามาทำเขาไม่เคยคิดหรอกจะมาปฏิบัติหรอกบุญเขาแค่นั้น บุญเขาแค่นั้นทํางานงอกงอกงอกงอนะเงือไหลใครย้อยพอเงินเดือนออกาวันเดียวปุ๊บเป็นวันใช้เงินใช้มันหมดเลยวันเดียวเห็นไหมแต่เราไปว่าเขาก็ไม่ละเขาก็ไม่ทุกข์อะไรไงเขาบอกเขาพอใจอย่างนั้นเห็นไหมพราะครูก็ดูว่าเออเอาแบบไหนถ้าไปสอนให้เราเก่งๆเหมือนคนในเมืองเราเก่งๆๆหาเงินหาเงมันก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งไง <c oughs> มันทุกคนละแบบก็เลยเราต้องทำใจว่าเออที่ในหลวงมีโครงการช่างหัวมันนะเดี๋ยวพั ก, กูจะจัดโครงการสร้างไอ้สั ญ, ญลักษณ์ช่างหัวมันเอากระช่างใหญ่ๆเอาหัวมันไว้ข้างบ น, นเพื่อเตือนตัวเองบ้างเ <c oughs> วลาจะไปว่าเขาเนี่ยพอเห็นปุ๊บเออก็ช่างหัวมันเถอะจะได้ไม่ต้องสร้างวจีกรรม ตอนนี้ไม่ไม่ชอบมองตัวเองน่ยชอบไปมองคนอื่นแล้วจับถูกผิดเขาก็จับถูผิดเสร้างวัจจิก ร, รเรื่อยเรื่อยบางทีไอ้ตัวนี้สร้างใหญ่ๆ ห, หน่อยนะบางทีเห็นเพ้อเพอมันจะได้เตือนสติบอกช่างหัวมัน <c oughs> ก่อนจะดา่าเขาก็เลยหยุดซะบางครั้งเราเปลี่ยนชีวิตคนไม่ได้พ่อครูอยู่ที่นี่นี่สังคมที่นี่สอนพ่อครูนะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเปลี่ยนแปลงตลอดแต่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไหมไ ม, ไม่เปลี่ยนแปลงในทางที่ ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะนะมันจบแล้วนะมันจบแล้วที่พวกเราเดินทางมาบางคนบ่นนะทำไมพวกครูมาอยู่ไกลจังเลยถนนจากปากทางมาที่นี่เจ็ดกิโลนี่ยยังกะ เ, เป็นหลุมเป็นบ่อนะเขาะคกนี้มันเจริญมากแล้ว น, นี่นะมันเจริญมากแล้วนี่สมัยก่อนไม่มีทางนะพะ่อครูนั่งเรือข้ามมานะยามันเจริญมากกว่านี้เลยเดี๋ยวเราไม่มีแผ่นดินอยู่ ความเจริญไปอยู่ที่ไห น, นกิเลสมันก็มาด้วยตอนนี้น่ากลัวมากนะสมัยก่อนโทรศัพท์กิ้งดังทั้งบ้านเลยตอนนี้มันไล่สายไม่มีป่าอยู่แล้วนะไปอยู่ป่าไปอยู่รูที่ไหนก็ช่างคลื่นมันก็เข้าไปหมดอตอนนี้น่ากลัวเราไม่มีหนีหนีไม่มีที่หนีไปแล้วเพราะครูจากเมืองนอกมาอยู่บ้านนอกไม่ใช่บ้านนอกด้วยสมัยก่อนไม่มีบ้าน ไม่อยู่ป่านะเราเป็นคนไทยใช่ไหมเขาสมมติว่านี่ประเทศไทยนั่นประเทศลาวน่ประเทศอเมริกาไปไหนก็ต้องมีพาสปอร์ตมีอะไรข้ามไปประเทศเขาก็บอกล้าแดนต้องมีพิธีรีตองเหมือนไปอาศัยเขาเนี่ยนะอยู่ที่นี่ถ้าเราลงทางด้านนี้เราจะตกเขื่อนศิลินทอนถ้าเราไปด้านโน้นเราจะข้ามไปลาวพ่อครูถอยไม่ได้อีกแล้วมันมาจนบรสุดกูแล้ว นะมันสุดกูแล้วก็เอาเป็นผ้ า, าก็ชี้แจงว่าเราทำอะไรกันอยู่การปฏิบัติธรรมก็คือหิวก็กินง่วงก็นอนนะฟังคำนี้ดีๆนะไม่ใช่ว่ากินเพราะมันอร่อยนะอร่อยก็กินเยอะๆนะกินกินกินกินกินจนท้องอืดท้องร่วงนะ ไม่อร่อยก็ไม่กินเลยนะไม่ง่วงแต่มันขี้เกียจอ่ะก็ไปนอนนะอันนี้ไม่ใช่หิวก็กินง่วงก็นอนนะหิวก็กินง่วงก็นอนเนี่ยหมายถึงจิตซึ่งมีสติมีปัญญาเวลาใดควรทำอะไรก็ทำซะนะไม่ใช่ไม่หิวก็กินอะไรอร่อยก็กินมันทั้งวันนั่นแหละนะไม่ง่วงไม่ใช่เวลานอนก็นอนมันทั้งวันนั่นแหละเนี่ยนะมันไม่ไปไหน เดินก็อยู่ถึงเวลาเดินก็เดินถึงเวลาเต้นก็เต้นนะแล้วอีกเคสหนึ่งว่าบางคนมาใหม่ๆรับไม่ได้นะปฏิบัติธรรมต้องการความสงบไงพอเดินเขามาสาลาปุ๊บวิ่งออกไปเลยยังกัะดิสโกเทคผมพัมกครูหลายปีเห็นนะเห็นจิตมากนั่งโอ้กิเลนมันเล่นงานคนเนี่ยตลกมากคือเขาแสดงเขากลัวมากเลย บกหลงทางมาแล้วบางคนต่อว่างมุนพากูมาทำไมยังกันนรกบางคนมาเจ อ, อชั่วโมงเช้านะแหกปากร้องอยู่ยังกันนรกเราดีๆนี่แหละเพนออกไปเลยไปยืนตัวสั่นมันเกิดอะไรขึ้นนะคือกิเลสคือความเคยชินเราถูกบ่มเพราะว่าต้องเป็นแบบนี้เป็นคนดีนะเด็กๆต้องเป็นคนดีนะ เป็นคนดีในในิยะคนดีก็คือว่าอยู่ในกรอบถ้าใครหลุดนอกกรอบเนี่ยเป็นคนไม่ดีเราคุ้นเคยแบบนั้นแล้วก็ถูกตีกรอบแล้วเมื่อไหร่เราจะอิสระนะนี่แหละคือสาเหตุที่ลองเรามาลองเข้าโปรแก ร, รมปาร์ตี้วันที่สิบสี่ปาร์ตี้นี้ภาษาอังกฤษนะเด็กๆ เ, เขาใช้ภาษาอังกฤษนะก็คือแฟ y ซี e s s แฟนซีเดตก็คือเสื้อผ้าแต่งเป็นแฟนซีเรียกว่าแฟนซีเดตปาร์ตี้นะเสื้อผ้านี่มันมีผลอะไรมีผลนะสมมุติว่าผู้อาวุโสอายุเจ็ดแปดสิบเนี่ยมันนุย์กางเกงขาสั้นดีกว่าเนาะเอาสายเดียวเหมือนเด็กๆ เ, เนี่ยกล้าใส่ไหมเห็นไหมเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น แม้กิเลสมันมันมันสะดุ้งเนี่ยทำให้เราเสื้อผ้านี่มันมีผลสำหรับความรู้สึกเราเพราะกูอยู่อเมริกาหลายปีถ้าช่วงไหนเศรษฐกิจโลกดีนะไม่เคยแต่งสูตรกันหรอกชอบสบา ย, ยางไงถ้าเศรษฐกิจไม่ดีปุ๊บแต่งสูตรกันเพราะต่างคนต่างมี protection มันมันไม่มั่นใจ อันนี้เสื้อผ้านี่มันมีผลมันเป็นอุปทานอย่างหนึ่งถึงว่าปรตีนี้นี่อันดับแรกเรื่องเสื้อผ้าเดี๋ยวจับผู้เท่าผู้แก่มาแต่งเป็นเด็กนะช่วยกันนะแก้วเขามีวิกสีอะไรก็มีนะมีหน้ากากด้วยยามวงไม่มีใครจำเราได้นะเราเวียงนี้ทำไมเราเวียงเราเช็คจิ้งเราสัน เหมือนเรากำลังเบอร์อยู่ให้ไปไหนวะให้ตื่นตื่นตื่นตื่นตืนภาษาอังกฤษบอกเวกอปุกเราตื่นเราเต้นไปเต้นมาจากอายุแปดสิบเต้นให้มันเหลืออยู่สามสิบเต้นไปเต้นมาให้มันเหลืออยู่สามขวบเต้นไปเต้นมานี่ให้มันทะลุข้ามชาติไปเลยคือเต้นสลัดเอาหัวโขวนออกเพราะเราติดบ่วงตัวนี้ในชีวิตเรามันเครียด มารยาทปรพิธีนีโดยเฉพาะผู้หญิงไทยเราเนี่ยนะถูกบ่มเพาะโดยเฉพาะผู้อาวุโสนี่นะต้องอยู่ในกรอบเรากลัวมากเขาจะมองเราเรากลัวมากเขาจะดูถูกเราความกลัวทำให้เสื่อมนะเราลองดูนะปาร์ตี้นี้หนึ่งเรื่องเสื้อผ้านี่อันดับหนึ่งนะแล้วอาจจะมีประกวด เ, เขาเรียกว่านางสงการด้วยนะ นางสงการแบบไม่ใช่คนเก่าหนึ่งเสื้อผ้านี้ทำให้คนอื่นเขาจำเราไม่ได้สองเราก็ทิ้งตัวเองด้วยว่าเราต้องลืมตัวเองว่าเราเป็นใครที่พระครูบอกชีวิตคือละครตอนนี้เราแสดงบทบาทนี้เราต้องลืมว่าเราเป็นใครต้องแสดงให้สมบทบาทมันเป็นอุบายเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ให้เราวางหัวโขน วางอัตตาตัวเองเอาไอสิ่งหยาบๆตัวนี้ออกจากตัวเราก่อนไม่งั้นจิตไม่อิสระนะอันนี้ เ, นเรื่องเสื้อผ้าหนึ่งให้คนอื่นจำเราไม่ได้สองเราเองต้องจำตัวเองไม่ได้นะต้องเป็นใครไม่รู้เป็นเป็นกับไอที่มันเหมือนเราแต่งนั่นแหละให้เป็นแบบนั้นล่ะเหมือนเราแต่งเป็นเป็ดแล้วก็เป็นเป็ด เราแต่งเป็นไก่เราก็เป็นไก่แสดงให้เป็นไก่ให้มันเหมือนเลยวันวันที่สิบสี่นะดูว่าเราฝืนกิเลสเราได้ไหมนะแล้วก็เราจะรู้เลยว่าความอิสระมันกำลังเกิดขึ้นกับเรานะอันนี้ก็เป็นอุบายวิธีอย่างหนึ่งแล้วทำไมต้องเสียงดังทำไมต้องเร็วต้องแรงตอนนี้กิเลสพ่อครูบอกนะ กิเลสมันพัฒนาตัวเองจนมันขี่จรวดมันขี่จรวดแล้วเราจะมาขี่คอช้างถือเงี้ยวถือเงาฟันดาบต้มๆเตี้ยมๆมันไม่ทันไปฝึกสติแบบเหมือนเดินแบบหุ่นยนต์อ่ะสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนฝึกอยู่มันก็คุมได้สิพอออกไปเนี่ยมันร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะมันเร็วมันไม่ทันถ้าเราไม่เร็วไม่แรงเนี่ยเราสู้ความคิดไม่ได้มันจะแทรก มันจะรู้สึกอายมันรู้จุดเขินเห็นไหมไม่ต้องไปพึ่งเล่าเมื่ต้องพึ่งยาเสพติดนะเยาวชนหลายคนพอพูดถึงเรื่องปฏิบัติธรรมปุ๊บขังอยู่ในห้องไม่กล้าออกมาเพราะเขาเข้าใจเขาถูกวาดภาพว่าปฏิบัติธรรมไปเคร่งเครียดไปอะไรมันไม่เอานะจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมไม่ต้องเคร่งเครียดการปฏิบัติธรรมเพื่อ ลดละเลิกความเคร่งเครียดพอไปวัดไปจำศีลไปปฏิบัติธรรมสิบห้าวันเขาก็บอกว่าปิดวาจาปิดไม่ให้พูดก็รู้สึกสบายนะไม่ต้องได้ยินเสียงใครบ่นเลยและตัวเองก็ไม่ต้องเมื่อยไปพูดเพราะว่าถูกบังคับเห็นไมแต่พอกลับบ้านปุ๊บเจอลูกเจอหลานเนี่ย พูดแก้แค้นบ่นมอนทั้งวันเพราะไม่ได้พูดมาสิบห้าวันทำไมต้องไปฝืนตัวเองอย่างนั้นนะที่นี่ไม่เหมือนกันนะมีอะไรครับ อ, อกคับใจนั่นที่แบกมาสี่ห้าสิบปีเจ็ดแปดสิบปีเนี่ยเทอยู่ในศูนย์นี่หมดแล้วอย่าแบกกลับบ้านเดี๋ยวพ่อกูเคลียเองนะพอกลับบ้านแล้วมันจะไม่มีพลังไปบ่นลูกหลานอีกมันจะขี้เกียจพูด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 ไม่มีแนวตายตัวว่าต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าวิธีที่เราปฏิบัตินี่ยมันไม่มีวิธีเห็นไหมคนเป็นร้อยคนเนี่ยเพลงเหมือนกันเพราะครูมายืนดูไม่เหมือนกันสักคนหนึ่งเต้นนี่คือความจริงนี่คือธรรมะนี่คือสัจธรรมความจริงของจิตน า, นานาจิตตังจิตแต่ะดวงไม่เหมือนกันจะให้มันเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันได้อย่างไรให้จิตต่ละดวงเขาแสดงศักดภาพของเขาเอง นะแต่ละคนเจ็บไข้ได้ป่วยดินน้ำลมไฟร่างกายมันไม่ปกติมันไม่เหมือนกันนี่ยจะไปฝึกท่าเดียวกันเอาแบบเดียวกันเนี่ยมันก็เหมาะกับในกรมันอาจจะไม่เหมาะกับในขอแต่ถ้าเราปล่อยให้จิตดาเนินเองนะจิตของแต่ละคนเนี่ยเขาต้องรู้เองว่าร่างกายเราในเวลาไหนบกพ้องบางทีเจ็บขาอยู่นี่มันเวียงมือขาหายไงจิตมันรู้ว่าต้นเหตุมันคืออยู่ตรงนี้แต่ถ้าเราไปสอนเขาฝึกโยคะฝึกไทเก็สฝึกอะไร ทีละท่าทีละท่านั่นมันก็มีประโยชน์ระดับหนึ่งแต่บังเอิญว่าไอ้ท่าที่เราฝึกเนี่ยลมปานมันเลี้ยวซ้ายแต่ลมปานข้างในมันกําลังเลี้ยวขวามันจะชนกันระบมไปหมดแต่ถ้าเราทําให้จิตมันทําเองแล้วมันก็รู้แล้วว่าลมปานมันเลี้ยวซ้ายมันส่งเสริมให้เลี้ยวซ้ายแรงขึ้นนี่คือตัวปัญญานะไม่ใช่ตัวความรู้ความรู้มันมีข้อจํากัดของมันมันมาจาก เรา c ปี้เราจําเขาแต่ปัญญามันเกิดขึ้นเองในเวลานั้นๆโดยที่ไม่ต้องใช้สมองโง่ๆเราไปสั่งเขานะนี่ต้องเข้าใจนะก็ฝึกอะไรก็ช่างปฏิบัติอะไรก็ช่างทำจิตให้เป็นกลางไม่ต้องมีธงไม่ต้องเอากิเลสความเคยชินเราเป็นตัวกำหนดเปิดโอกาสให้จิตเราเนี่ยอิสระแล้วเขาจะจัด ก, การเอง ถ้าจิตมันต้องการทำร้ายร่างกายนี้ให้มันทาร้ายเถอะเพราะบ้านหลังนี้เนี่ยร่างกายนี้คือบ้านของเขาจิตเขาต้องอาศัยกายภาพนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือในการเจริญมรรคเขาไม่มีเหตุผลจะทำร้ายร่างกายนี้แน่นอนแต่ใจเราต่างหากละ่ะมันหลอกเรามาตลอดชีวิตดีใจก็ลงใจเสียใจก็ลงใจ พอใจก็อยู่ที่ใจไม่พอใจอยูดที่พอไ ม, ไ, มไม่พอใจนะพอเขาดา่าเราหลกเจ็บใจเจ็บใจมากๆจนนอนไม่หลับไอ้จิตมึงสั่งปากดา่ามันออกไปคืนเลยฉันเสียเปียกเรากลัวมันเจ็บใจเราเป็นคนมากง่ายเราก็ทำตามใจด่าออไปเลยพอด่าไปปุ๊บไอ้ใจมันบอกสะใจมันสะใจมากๆเลยมันออกลูกมันออกลูกเพราะเราเอาอาหารให้มันกิน พอเขาด่ามาคืนมันบอกว่าเฮ้ยแค่ด่าไม่พอลูกมันไม่พอกินมันบอกตกมั adesso, humans, นไปเลยตกมันไปเลยไอจิตมึงปอกมือตกออกไปเลยเรากลัวมันเจ็บใจไงเรากลัวมันเจ็บใจแล้วก็ทำตามใจแล้วก็ตกมันออกไปเลยมันบอกมันสะใจลูกมันก็สะใจลูกมันมีกำลังก็ออกหลานออกมาอีกพอเขาตกออกมาคืนมันบอกว่าตกไม่พอแล้วหลามันไม่พอกิน แล้วก็กลัวว่ามันเจ็บใจเราเป็นคนมักง่ายเราทำตามใจตัวเองเรากลัวมันเจ็บใจเราไม่มีขันติเราไม่มีความอดทนนะมันบอกว่าตบไม่พอแล้วเนี่ยยิงมันเลยเอาปืนมายิงมันเลยปิดคุกเลยเราถูกใจเรามันหลอกมาตลอดชีวิตที่เรามาฝึกนี่เพื่อให้จิตเรามันมีกำลังกว่าใจ พอใจมันสั่งอะไรเดี๋ยมันไม่เชื่อมันมันไม่ทําตามใจอีกต่อไปมันจะทําตามเหตุและปัจจัยมันจะไม่โง้สร้างกรรมอีกนะแล้วเมื่อไหร่บรรลุเมื่อไหร่จะสำเร็จบางคนถามพวอ ก, กูนะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอย่าถามหาเวลาอย่าค้ากําไรเกินควรทําอะไรทั้งลงทุน กี่วันกี่ชั่วโมงจะได้นโน่นได้นี่โอ้พูดอกันนิพานในช่ย่งกิโลขายได้น้อเอาเป็นว่าทำเพราะทำปฏิบัติเพราะปฏิบัตินะบางคนเร็วบางคนช้าอย่าไปเปรียบเทียบกันไม่ใช่เร็วแล้วก็เก่งไม่ใช่ช้าแล้วก็ไม่เก่งไม่เกี่ยวถ้าเร็วก็ดีช้าไม่ดีนี่พระพุทธเจ้านี่สู้เน้นบดิตไม่ได้นะช้าสุดท้ายพระองคอ์ยังต้อง ปฏิบัติทรมานสังขารทดลองทดสอบอยู่หกพันสางเน้นบัณฑิตเจดขวบบวชแค่แปดวันเป็นอรหันต์แล้วแซงหน้าพุทธเจ้าก็เก่งกว่าพุทธเจ้าสิไม่เกี่ยวพระหยะนี่ฟังธรรม ท, ทีเดียวไม่ถึงสามมธยบรรลุธรรมแล้วก็เก่งกว่าพุทธเจ้าสิก็ไม่เกี่ยวอีกคือคือเราสร้างบา ร, รมีมาไม่ทักไม่ใช่บา ร, รมีน้อยกว่าคนพวกเหล่านั้นนะไม่ใช่น้อยกว่านางวิสาขาไม่ใช่น้อยกว่าเน้นบัณฑิตนะ ไม่ใช่น้อยกว่าพะหิยะนะแต่พระองค์ต้องเป็นเจ้าแห่งพุท ธ, ธะพระองค์ต้องสะสารคดีความทั้งหมดแล้วต้องอยังรู้ทั้งหมดพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่เหมือนกันมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือพ้นทุกข์ที่เหมือนกันหมดคือพ้นทุกข์นะส่วน กิริยาบทหรือหน้าที่จริตของท่านบางทีบางรูปก็เดินช้าบางรูปก็เดินไวบางรูปก็ไม่สอนใครบางรูปก็พูดแรงพูดเบาอันนั้นเป็นเรื่องของอนุสัยจนะสิ่งที่ท่านเหมือนกันมีอย่างเดียวนั่นคือท่านเหล่านั้นไม่ทุกคือพ้นทุกแล้วท่านนั้นเองถึงว่าเราจะไปเรียนรู้อะไรเป็นเป็นวิชา เป็นแพทเทิร์นเป็นแพ็กเกจตายตัวอย่างทุกวันนี้เราเรียนแบบนี้นะพวกครูก็หลายปีมาอยู่ที่นี่มันก็ดูว่าโลกมันเกิดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะอะไรนะก็มีเวลานิดนึงเมื่อช่วงวันนี้ก็คุยกับยติธรรมกลุ่มหนึ่งแต่อีกหลายท่านก็ไม่ได้ยินนะยุคนี้เห็นไหมฮะทะเลาะบ่อแหวงกันทั้งโลกไม่ใช่เชาวเมืองไทยนะขัดแย้งกันทุกประเทศนะ ขัดแย้งเป็นเรื่องปกติธรรมดาในแง่ความคิดไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันเป็นเรื่องปกติแต่อุณหภูมิมันแรงขึ้นจนถึงขนาดว่าทําลายล้างกันนะจนลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ชายเพื่อจะสมบัติมันก็ทํากันแล้วเด็กสาวเจ็ดขวบตั้งท้องแปดขวบเป็นคุณแม่มันก็เกิดขึ้นแล้วซึ่งในโลกมนุษย์นี้ไม่เคยเกิด มันก็เกิดแล้วนะเพราะอะไรเพราะกิเลสมันพัฒนาไปตามเทคโนโลยีนะขื่นเวนียนขึ้นกรรมกำลังจะมาทวงนี้มนุษย์มนุษย์สร้างกรรมแรงมากขึ้นมันแรงนะพวกครูใช้คำว่าถ้าภาษาโลกเป็นห่วงมนุษย์ตั้งแต่โบราณกาลเนี่ย หิวก็กินง่วงก็นอนแต่ตอนนี้เราพัฒนาพัฒนาน่งจากเราต้องการวัตถุมากขึ้นต้องเรียนรู้เยอะๆเรียนรู้ก็ไปลงทุนลงแรงลงเวลาลงลงลงลงลงเป็นการลงทุนเพื่อเอาวิชามาเป็นเครื่องมือในการหาเงินก็ไม่ได้ผิดอะไรทุกคนต้องมีอาชีพแต่ที่มันไม่ถูกเพราะอะไรเพราะมันแรงเกินไปสมปดวันหนึ่งมียี่บสี่ชั่วโมงใช่ไมสังเกตไหม เราจัดเวลาทํางานเราแปดชั่วโมงเป็นเวลาสากลแปดไปคือหนึ่งในสามแปดสามยี่สบสี่นะแปดชั่วโมงเป็นเวลาทํางานแปดชั่วโมงเนี่ยเป็นเวลาทํากิจกรรมที่สันทนาการนะที่มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตด้านอื่นการทํางานเนี่ยเป็นหนึ่งในแปดก็คือสัมมาอาชีวะนะแล้ใช้แปดชั่วโมง แล้วอีกแปชั่วโมงนี่เป็นการสร้างนันทนาการให้กับชีวิตเราเนะเป็นการเสริมกําลังให้ตัวเองเนี่ยเพื่อจะไม่มีกําลังเนี่ยไปทํางานอีกแปดชั่วโมงต่อไปและอีกแปดชั่วโมงเป็นเวลาพักผ่อนนี่ที่เขาแบ่งกันเป็นอย่างนี้นะแต่ตอนนี้เนี่ยเกือบยี่บสี่ชั่วโมงเราเนี่ยเป็นเวลาอาชีพทั้งหมดเวลานอนก็นอนไม่ได้ไม่สนิท นะฝันด้วยอะไรด้วยเพราะว่ามันเอาความเครียดเนี่ยกลายเป็นว่าวันหนึ่งแปดบวกแปดเป็นสิบหกชั่วโมงเครียดกันทั้งสิบหกชั่วโมงทุกอย่างเราทํางานปีหนึ่งถ้าเป็นอเมริกานะเขาสะสมเงินปีหนึ่งทำงานสบิบเอ็ดเดือนอีกเดือนหนึ่งไปเที่ยวนะคำว่าท่องเที่ยวเนี่ยคนโบราณเขาตั้งไว้ดีมากท่องไปเรื่อยๆ เที่ยวไปเรื่อยๆไม่มีเงื่อนไขเวลาแต่ตอนนี้การท่องเที่ยวกลายเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นแพ็กเกจทัวร์และเป็นการซื้อการขายแทนที่จะเป็นเวลาที่เราพักผ่อนไอการตัวการท่องเที่ยวเองก็กลายเป็นอาชีพเวลาพักผ่อนเราเป็นนันทนาการชีวิตก็เป็นเวลาดหยุดอาชีพทั้งปวง แต่ตอนนี้บางคนไปเที่ยวด้วยก็ถือโน้ตบุ๊กไปด้วยนะตั้งวันก็ไปนั่งรถบัสกี่ชั่วโมงไปขึ้นเขาไปไปดูวิวอะไรไปกินไปเที่ยวนะเหนื่อยกันทั้งวันไม่พอก็เอางานไปทาด้วยเราไม่มีเวลาพักผ่อนเราไม่มีเวลานันทนาการให้กับชีวิตนันทนาการก็เป็นเวลาที่เราหยุดอาชีพคือตัดชั่วเลยเป็นเวลาที่อิสระมาก ท่องไปเรื่อยๆเที่ยวไปเรื่อยๆไม่มีเงื่อนไขเวลาแต่ตอนนี้ไปปุ๊บก็ถูกบังคับตื่นกี่โมงไปกี่โมงนั่งรถกี่โมงอะไรๆเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสได้พักผ่อนเห็นไหมทีนี่บางคนชอบกีฬาคนโบราณเ็าบอกเล่นกีฬาเ ล, เล่นเล่นเล่นไม่ต้องจริงจังแต่ตอนนี้มันไม่เล่นกีฬาแล้วมันแข่งกีฬามันเป็นเกม ถ้าไม่ฝึกแข่งไม่ได้ธรรมดากีฬาไม่ต้องฝึกนะไม่ต้องเรียนด้วยนะกีฬาเป็นยาวิเศษสมัยโบราณเนี่ยเล่นเล่นเล่ น, ลนไปไปจ็อกกิ้งกันไปวิ่งกันทุกคนเล่นด้วยกันได้ไม่ต้องใช้เครื่องมือไม่ต้องเสียสตังแต่ตอนนี้การกีฬาก็กลายเป็นเล่นเอเป็นแข่งกีฬาก็ไม่ใช่นันทนาการอีกเครียด ก, กับมันอีกกลายเป็นธุรกิจอีกแล้วถามว่า มันไม่เป็นมันเล็งให้มันรู้ไปชีวิตมนุษย์เราเป็นแบบนี้เนื่องจากความอยากเรามากเกินไปนะก็ที่นี่มีเด็กๆนะพอกูฝากนะเรียนหนังสือก็ต้องเรียนก็เรียนไปแต่ไม่พออาจารย์พุทธทาสบอกว่าการศึกษาหมาหางด้วนมันไม่ครบองค์มันไม่ครบองค์ มันมีแต่ความรู้ที่เราส่วนมากความรู้เราเราไปเรียนกับเขาเนี่ยเป็นนักเรียนแบบไม่ใช่นักเรียนรู้ไปท่องจําหมดแม้กระทั่งปริญญาเอกทําวิทยานุพนธ์ต้องมีการอ้างอิงข้อมูลของคนอื่นถ้าเอาข้อมูลตัวเองไปเขียนลงไปเนี่สอบตกเพราะมันไม่มีข้ออ้างอิงมันเป็นความรู้ของคนอื่นไม่มีความรู้เกิดจากเราเองเราเป็นแค่นักเรียนแบบไม่ใช่นักเรียนรู้ อย่างมากที่สุดเราขยันอ่านหนังสือนะอ่านเล่มหนึ่งเนี่ยไม่ตกเลยแต่ตัวหนึ่งเนี่ยสูงสุดก็เก่งเท่ากับไอ้เจ้าของตํารามันสูงสุดก็เป็นแค่เท่าไอส์ตายมันไม่มีการพัฒนาการศึกษาเรียนรู้เราต้องรู้เราต้องพัฒนาเก่งกว่าไอส์ตายเก่งกว่าสตีฟจอปมันถึงเป็นการศึกษาเรียนรู้ แต่ตอนนี้มันเป็นแค่การศึกษาเรียนแบบไปก๊อปปี้ความรู้เขาท่านนั่นเองเราไม่ได้เก่งอะไรนะแต่ถ้าเกิดเราไม่ปฏิบัติธรรมนะเราไม่มีปัญญาเราจะไม่กล้าคิดนอกกรอบที่เขาบล็อกเราไว้นะก็ลองพิจารณาดูนะมีดดาบมนี่มาจากไหนรู้ไหมโดยเฉพาะมีดดาบที่ บางๆเองแต่ฟันเหล็กขาดเลยมันมาจากไอ้เหล็กที่เขาทิ้งทิ้งคว่างๆแล้วก็ผ่านการหล่อหลอมโหดร้ายมากเหมือนต้องหลอมจากเป็นเหล็กแข็งนี่ให้มันเหล็กเหลวเลยเหมือนพวกเราเนี่ยถ้าไม่ทนถูกหล่อหลอมนะนั่งนิดนึงเจ็บขากูไปดีกว่ากูไปดีกว่า เราจะไม่มีวันกลายเป็นเหล็กกล้าจิตวิญญาณก็เหมือนกันเราต้องผ่านการทดลองทดสอบครูเจ้าถึงให้เครื่องมือเรามาต้องขันติต้องอดทนต้องมีวิริยะต้องมีศรัทธากับสิ่งที่เราทำอันนี้ไม่ใช่ร้อนนักก็ามักอ้างว่าเย็นนักก็ามักอ้างว่าแล้วมันจะไปไหนล่ะ เศษเหล็กที่มันเกิดแปลรูปกลายเป็นมีดเป็นดาบที่มีประโยชน์เนี่ยมันต้องผ่านความโหดร้ายความร้อนจัดๆ จ, จ, จ, จนแปลรูปมันเปลี่ยนรูปมันจากของแข็งเนี่ยกลายเป็นของเหลวจิตวิญญาณเราก็เหมือนกันที่เราเรียกว่ามโนธาตุใจเราเนี่ยนะใจเราเนี่ยมันเหมือนอะไรล่ะมะโนธาตุเนี่ยมันเหมือนน้ําเราไปแช่เย็นมันก็เย็น แต่จะพอเย็นแล้วเนี่ยเอามาเทใส่แก้วมันก็กลายเป็นแก้วเอาไปเทใส่ใส่กะละมังก็กลายเป็นกะละมังมันยังไม่อยู่ตัวมันยังไม่ตั้งมั่นแต่ถ้าเราไปแช่แข็งเห็นไหมจากของเหลวกลายเป็นของแข็งแล้วใส่ขันมันก็จะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเหมือนเก่าใส่แก้วเหมือนเก่าตั้งมั่นดังขุนเขาแต่ถ้าเราเอาน้ําแข็งนี่มาต้ม มาต้มมันเดือดเดือดจนกลายเป็นอากาศาธาตุกลายเป็นอากาศาธาตุเห็นไหมนี่คือเหล็กไหลนะมันสามารถหายตัวได้แปลรูปได้ใจมนุษย์ก็เหมือนกันฝึกให้มันเย็นก็เย็ น, ยนใจฝึกให้มันร้อนก็ร้อนใจแต่เย็นใจร้อนใจก็ยังไม่มั่นคงนะต้อง ฝึกให้มันตั้งมั่นดังขุนเขาใครก็เปลี่ยนเราไม่ได้ตั้งมั่นดังขุนเขาจริงๆก็คือไม่มีตัวตนนะทุกดวงจิตทำได้นะอยู่ที่ว่าเราจริงหรือเปล่าทำไมเรียนหนังสือทำไมขยันหาเงินทาไมทำไมทไมุ่มเทเครียดแค่ไหนฉันก็เอาอดหลับอด น, นอนฉันก็สู้เพื่อจะได้มีฐานะมากขึ้น แต่พอท้าปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์แล้วทำไมไม่สู้นั่งเจ็บหน่อยหนึ่งไปดีกว่าร้อนนิดหนึง่งเผ่นดีกว่านะเหล็กมันเจอไฟหน่อยหนึ่งไม่เอาแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นมีดเป็นดาบได้ยังไงนะเพราะกูก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ คืนนี้คงไม่มีการปฏิบัติก็อีกสักครู่ก็มอบเวทีนี้ให้คุณหมอบัญชาแดงเนียมนะแล้วทุกท่านก็เดี๋ยวหันหลังกลับแล้วก็ใครจะไปห้องน้ำก็ไปมาก่อนนะพอเรียบร้อยแล้วคุณหมอบัญชาจะใช้เวลาช่วงหนึ่งถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้เป็นวิทยาทานโอเคนะสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระีรัตนาตจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาล